พระบัญญัติ243ก็ภิกษุใดรู้อยู่แต่ต้องการจะจับผิดนำของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเด่นไปปรนนาร์ภิกษุผู้ฉันแล้วบอกห้ามพระทหารแล้วโดยกล่าวรบเร้าว่านิ ม, มนต์เถิดขอรับท่านจงเคี้ยวหรือจงฉันก็ได้เมื่อเธอฉันแล้วภิกษุนั้นต้องอบับอาจิตตีเรื่องภิกษุสองรูปจบ